บดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของวิจิกิสาคือความเคลือบแคลงสงสัยที่เป็นนิวรณกลุ่มโมหะคือเกิดมาจากโมหะความหลงนั้น ถือว่าเป็นปนัญหาสำคัญในการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมของบุคคลทั้งหลายทุกขั้นตอนไม่ต้องกล่าวถึงระดับผลของสมาธิแม้แต่การจะให้ทานจะฟังธรรมจะรักษาศรรีลหรือจะทำภารกิจอะไรต่างๆก็ตามแต่ในขณะนั้นเกิดความเครีบดแร็งสงสัยขึ้น เพราะว่าจะงักงานในกิจกรรมเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นในทันทีทันใดไอ้ศาบตร์ใดที่ยัยงขจัดความเครือบแคลงสงสัยในจุดนั้นในขณะนั้นออกไปไม่ได้งานที่เกิดความสงสัยในขณะนั้นก็จะชะงักอยู่อย่างนั้นตลอดไปซึ่งบางครั้งเราจะเห็นว่าความเครือบแรลงในสงสัยในเรื่องบางเรื่อง ที่ต้องมีการศึกษาข้อมูลกันในด้านต่างๆมีการประเมินผลกันแล้วสรุปผลไปแล้วจะมีการโต้แย้งคัดค้านกัน แ, แสดงว่าฝ่ายหนึ่งยังมีความสงสัยอยู่ฝ่ายหนึ่งนั้นขจัดความสงสัยออกไปได้แล้วแต่เมื่อมีความโต้แย้งกันการเวลาก็ผ่านพ้นไปเรื่อย บางครั้งอาจจะต้องสูญเสียเวลาไปเป็นปีๆหรือหลายหลายปีกว่าที่โครงการนั้นโครงการเหล่าดั้นจะดําเนินไปได้และเมื่อดําเนินไปได้นั้นทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วตอนนั้นปัญหาเรื่องความเครียดแครงสงสัยจึงสมจําแนกแสดงใบในที่ต่างๆเป็นอันมากแล้วทุกระดับที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลาดับนั้น เป็นความสงสัยในตัวเนื้อเนื้อตัวของพรัตนาตราหรือของพระพุทธศาสนาแด้เกิดความสงสัยในพระพุทธเจ้าประธรรมประสงและในไตรชิขาแต่ในขณะเดียวกันคนก็มีความเคลือบแคลงสงสัยในธรรมชาติในกระบวนการของธรรมชาติกระบวนการธรรมชาติเหล่านั้น ก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลอยู่นั้นก็คือความสงสัยในเรื่องของอดีตในชีวิตตัวเองในอดีตและเหตุการณ์ต่างๆในอดีตพราการศึกษาค้นคว้าหลักฐานต่างๆทัง้งโบราณคดีถากประวัติศาสตร์จะเป็การอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวความเป็นมาในอดีตของตนและเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นนั่นเอง แต่ลองสังเกตความสงสัยในบางขณะเป็นความสงสัยที่ไม่น่าเชื่อว่าสงสัยแต่คนก็เกิดความสงสัยได้จะต้องกินอาหารเสร็จไปแล้วหนาเดียวก็เกิดสงสัยว่าเอกกินข้าวแล้วย่างหรือบางครั้งก็แปลง่ยนผ่านไปแล้วก็เกิดความสงสัย เ, เปลง่ันผ่านในอย่างเป็นต้นละะนักษณะเหล่านี้ผู้ศึกษาธทำปฏิบัติธรรมบางท่านอาจจะเจอด้วยตนเอง บางครั้งเราก็ปิดประตูกุญแจเรียบร้อยแล้วก็เดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วเกิดสงสัยไอ้ปิดประตูไดไอย่างนี่คือลักษณะของความครื้บแครงสงสัยบางครั้งว่าเกิดในขณะที่ต่อนเนื่องกับการกระทาไปแล้วนั่นเองแต่เป็นการสงสัยในเรื่องของอดีตนื่องจากลักษณะของความครื้บแคลงสงสัยในอดีตนี่แหละจึงทาให้เกิดมีการทานายภายพัก มีหมอดูมีวิชาการต่างเกิดขึ้นเพื่อให้คําตอบในเรื่องอดีตเพราะก็จริงเจ้าของชีวิตลืมเรื่องของตัวเองในอนดีตไปแล้วก็มีการศึกษาค้นคว้าจนไปจบลงตั้งทิศเกิดแต่จริงคนก็ยังอยากรู้มากขึ้นไปกว่านั้นยังมีความเครียวแครงสงสัยมากขึ้นไปยิ่งกว่านั้น อย่างที่ท่านแสดงกังขาคือความสงสัยที่ประรบเหตุการณ์ในดิตที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตนจะตั้งปัญหาขึ้นมาว่าในดิการณนั้นเราเคยเกิดมาแล้วหรือไม่ก็มีคนก็พยายามที่จะให้คำตอบกันด้วยวิธีการต่างๆแม้พูดว่าเคยเกิดมาแล้ว ก็มีความเครียดแครงสงสัยมีจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรแล้วก็มีการพยายามที่จะอธิบายกันในประเด็นเหล่านี้ให้คำตอบในด้านนี้กันมากมายหลายอย่างด้วยกันตามพื้นฐานของคนที่รู้เรื่องตอบนั้นในระดับนั้นๆแต่พอศึกษาเราเรียนไปปรากฏว่าเพิ่มความสงสัยขึ้นมา เพราะเพราะปรากฏว่าเรื่องเดียวกันนั่นเองแต่มีการอธิบายไม่เหมือนกันย่าในปัจจุบันพึงสังเกตว่าแม้ในหมูห่ศาสนา ก, กชนทั้งหลายในโลกนี้ถ้าหากพอเริ่มใช้ปัญญาขึ้นมาบางระดับก็ะจะเกิดความเครืยบแข็งสงสัยแล้วว่าคำสอนในาศาสนาตัวเองนั้นถูกต้องหรือไม่วระถมตยของชีวิตในอดีตนั้นเป็นมาอย่างไร แล้วเราเองเคยเกิดมาหรือไม่หรือว่าไม่เคยเกิดทีนี้มาตั้งปัญหาว่าหรือว่าไม่เคยเกิดมันก็มีการอา ธ, าธิบายชี้แจงกันดิแล้วพยายามที่จะให้คำตอบกันโดยวิธีการต่างๆจนมีคำพูดที่อยู่ในหมู่พุทธศาสนิกชนเราว่าเกิดมาคนเดียวก็ตายคนเดียวตายแล้วก็จบสิ้นการเป็นตน นักนก็แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่จำกัดจำเขีย่ยอยู่เฉพาะช่วงเกิดกับช่วงตายบางคนอาจจะมีความเครีบแคลนสงสัยบางคนอาจจะกลายเป็นพวกอุเฉดสถิติไปทีนี้ถ้าหากว่าไปได้คำตอบประเราเคยเกิดมาแล้วชีวิตเราเคยมีมาแล้วในอดีตตลอดการยาวนานนั้น ประหาของตามาอีกทีหนึ่งว่าถ้าเราเคยเกิดเราเกิดเป็นอะไรแล้วก็จะมีการตอบการอธิบายกันโดยวิธีการ ต, าต่างอีกเช่นเคยก็ยังไม่สามารถกระจัดความเครือบแคลงสงสัยอะไรไปได้เพราะคนจะถามต่อไปอีกว่าเรามีความสุขความทุกข์อย่างไรมีความเจริญก้าวหน้าหรือความตกต่บอย่างไรมีบุรมี มีพัญญาหรือไม่และบุตรพัญญาของเรานั้นขณะนี้ไปอยู่ที่ไหนหรือไปเกิดในที่ไหนเป็นต้นมันก็มีปัญหาตามมาเรื่อยๆปฏิา ต, ตามว่ามีการอธิบายตรงนั้นได้คําถามมันก็ยังไม่หมดอยู่นั่นแหละมันก็ถามต่อไปว่าตายจากนั้นแล้วเราไปไหนพอธิบายนะรกสวรรค์หรืออ่าพรหมโลกเป็นต้นมันก็มีการตั้งคําถามขึ้นมาอีก วนในสวรรค์ในนรกเหล่านั้นมีความทุกข์มีความสุขมีความประดิษฐ์อย่างไรแล้วใครเกิดโรูปกับหลาบ้างในขณะนั้นพอธิบายได้แล้วก็บอกว่าคนเหล่านั้นเวรนี้ไปอยู่ที่ไหนมีความสุขมีความทุกข์อย่างไรปัญหามันก็ตามมาเรื่อยๆนี่คือลักษณะของความเครียดแครงสงสัยที่เกิดขึ้นในเรื่องราวที่เป็นอดีตปัญหาเหล่านี้ก็เรียกร้องคําตอบที่ถูกต้องกันมาเป็นเวลานั้น แล้วก็มีการตอบกันตามพื้นฐานระดับสติปัญญาของบุคคลเหล่านั้นเพราะเราจะพบว่าบรรดาศาสนาทั้งหลายในโลกนี้หรือนักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ได้ แ, แสดงความเป็นมาของชีวิตในอดีตแตกต่างกันโือบางครั้งเหมือนกันในบางจุดแต่แ ต, แตกต่างกันในด้านลึกซึ้งในเงื่อนไขในเหตุปัจจัยต่างๆที่ทำให้มีอดีต แล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในอนดีตรู้มีระภักเจ้าของเรานั้นก็อยู่ในทรรนองเดียวกันคือก่อนที่ได้จัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้คาว่าลงเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้จัสรู้มันก็ตกอยู่ในสภาพนี้ก็คือมีความเครื่อนแปรงสงสัยโดยนิยนัดดังที่กล่าวแล้ว เราเคยเกิดมาหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดถ้าเราเคยเกิดเราเกิดเป็นอะไรล้วก็มีความสุขมีความทุกข์อย่างไรเราตายจากนั้นเราเป็นอะไรมีความสุขความทุกข์อย่างไรมีผิวพรรณวันณะครอบครัวสถานะตันตะกูเป็นต้นเป็นอย่างไรและต่อไปเป็นอย่างไรก็ถามไปได้เรื่อยจนเมื่อพระองค์ได้เพียรพยายามประพฤติปฏิบัติ ผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับอย่างที่ทราบกันมาถึงจุดหนึ่งรับสั่งแสดงว่าเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศ จ, จากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อหาคำตอบเรื่องชีวิตในอดีตคำตอบประเด็นแรกก็คือว่าเราเคยเคยเกิดมาไหม หรือไม่ในอดีตหรชีวิตในดีก็เราปิดหรือไม่ก็ทรงระลึกชาติได้ตั้งแต่หนึ่งชาติไปมีชาติเดียวหรือเปล่าก็มีชาติ ต, ต่อไปมีชาติที่สองที่สามก็ขึ้นไปเรื่อยๆอยู่หนาจุจดจบไม่ได้ก็ใช้เป็นตัวเลขนับไม่ได้ที่บาลีท่านใช้คําว่าสังวัตกำสังตกักกำหรืว่าติกับอะไรต่ออะไรก็เรียกกันไปเรื่อย จนเป็นอสังขยะคือนับไม่ได้เป็นอนันตะคืออานที่สุดไม่ได้และบางคราวบางคราวจึงทรงใช้อุปมาเทียบเคียงเอาเพราไม่รู้จะนับยังไงโดยทรงที่ให้เห็นว่าคนเราที่ต้องเศร้าโศกเสียใจปพระการพลัดพลากจากคนอันเป็นที่รักหรือข้าวของอันเป็นที่รัก มีความสูญเสียต่างๆเกิดขึ้นต้องเศร้าโศกเสียใจร้องไห้หลั่งน้ำตากันนั่นในสังสารวัตรตลอดกาลนั้นยาวนานถ้าน้ำตาไม่เหือดแห้งไปมันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสด็จซ้ำไปแต่บางครั้งก็จะแสดงถึงความเป็นหมากของสังสารวัตรเฉพาะคนแต่ละคน จรงแสดงว่าให้ถ้าเห็นว่าคนเราที่เกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่ในโลกทั้งหลายนั้นถ้าว่ากระดูกไม่ได้ผุเปื่อยหน้าผุผพังไปยังเหลืออยู่ทุกชาติทุกชาติทุกชาติาตมันจะกองเป็นภูเขาขนาดใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาเวปุลบาบันพดซึ่งล้อมกรุงราชคฤห์สุสีอยูแต่บางครั้งก็ทรงแสดงในรูป คนที่เคยเกิดมาในสังสารวัฏแล้ก็เป็นสามีพันยาการยันส่งแสดงแก่นางอุปรีนร้องให้เสียใจถึงสามีที่ตายไปแล้วได้แสดงเห็นว่าสามีของนางที่ตายไปแล้วก็เผาในที่นั้นนางมาร้องให้นีน่มันมากมายได้เกินสุดที่จะนับได้ปัญหาว่าที่ร้องให้จนในขณะนี้ไปร้องไห้ถึงสามีคนไหนสามีในชาติไหน เรามีการตายแล้วก็มีการเผาอยู่ที่นี้เป็นจำนวนมากมายแล้วหล่านี้เป็นความรู้ระดับญาณซึ่งเกิดผุดขึ้นภายในพระประทัะยของพระองค์ที่ผ่านขั้นตอนดังกล่าวมาแล้วโดยลำดับในความรู้ระดับญาณเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่มีจิตไม่มีลักษณะดังกล่าวนั้นเพราะสิ่งสองสิ่งนี้จึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ไม่ความมาถ้าไม่จิติตยังไม่ตั้งมั่นไม่เป็นสมาธิยังหวั่นไหวอยู่ยังมีกิเลสอยู่ยังไม่เป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้มันก็เกิดความรู้ตัวนี้ขึ้นมาไม่ได้ ท, ท่านใช้คำว่าจิตที่เป็นกรรมนิยะคือใช้งานได้คือน้อมไปเพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้ได้ให้เราสังเกตว่าจิตใจของสามัญชนโดยทั่วไป ไม่ต้องไปดูจิตใจของบุคคลอื่นดูจิตใจของเราเองในขณะที่นั่งสมาธินี้อยู่ก็ได้ในขณะฟังธรรมนี่อยู่ก็ได้โดยช่วงการโดยโอกาสจริงๆเราก็ต้องการที่จะฟังธรรมแต่ก็ดูสิจิตนั้นอยู่กับกระแสธรรมตลอดไปหรือไม่เราสามารถบังคับให้อยู่กับธรรมะที่แสดงตลอดไปได้หรือไม่เอาก็จริงปรากฏว่าคุมไม่ได้ ไม่มีใครที่จะฟังธรรมกระแสของธรรมแนบแน่นอยู่กับจิตหรือจิตแนบแน่นเดียกับกระแสธรรมตลอดระยะเวลาที่มีการแสดงแขวนไปแขวนมาได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างจําได้บ้างจำไม่ได้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเพราะจิตถูกแยกออกไปจากกระแสของธรรมะนั้นแสดงเห็นถึงจิตไม่พร้อมที่จะน้อมไปเูื่ังธรรม แม้ในขณะที่ปฏิบัติสมาชิอยู่เราอาจจะนั่งภาวนาพุโทโธเป็นต้นอยู่แต่ในพุโทโธนั้นได้ระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหรือที่บทภาวนาหรือไม่หรือระลึกได้ตลอดหรือไม่เราจะเห็นความแกว่งของจิตว่าแกว่งไปเรื่อยบางทีนั่งตั้งนานไม่ยอมส ง, งบเลยนั้นแสดงเห็นถึงความที่จิต ไม่ควรที่จะน้อมคื อ, อยังไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อเข้าสู่สมาธิสมาธิจึงเกิดขึ้นไม่ได้ปัญาเรืความเครียแปรงสงสัยเหล่านี้ถือเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งที่ทำให้ขาดความรับผิด ช, ชอบในการได้ผลของกรรมที่บุคคลจะต้องกระทำ เขาเอาบุคคลปฏิเสธชีวิตในอดีตก็ต้องปฏิเสธชีวิตในอนาคตด้วยแทนที่จะมองชีวิตเป็นกระแสของกิเลสกรรมซึ่งหมุนวนกันไปแล้วก็อิงอาศัยกันไปเรื่อยตราบใดสองตัวนี้ยังมีอยู่ก็สร้างปฏิสนธฑที่วิญญาณเรื่อยๆปฏิสัณฑที่วิญญาณเหล่านั้นจะหยาบบางกลางบ้างละเอียดบ้างตามปริมาณของกรรมที่หยาบกลางละเอียด สีพเจ้างสงแสดงที่ตั้งของวิญญาณเอาไว้ถึงเจประเภทเลยกันแต่และประเภทนั้นจะมีความแตกต่างกันถ้ากิเลสหยาบกรรมหยาปฏิสนธิวิญญาณต่ากิเลสกลางกรรมกลางปฏิสนธิวิญญาณก็อยู่ขนาดกลางถ้ากิเลสละเอียด กรรมก็เป็นกุศลมากปฏิสนธิวิญญาณก็ประณีตเรื่อนี้จะเป็นเงื่อนไขของการรายการอยู่ตลอดแต่มว่าเราเกิดเพื่อแกรงสงสัยในอดีตล้วก็มองเห็นว่าเป็นเพียงการเกิดขึ้นแล้วก็จบสิ้นการที่ความตายจนถึงก็มีคนบางพวกไปขยายความพระพุทธวจนะที่ทรงแสดงว่ามรรตตามีชีวิตัง ที่แปลว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุดหรือชีวิตแต่และชีวิตนั้นจบลงที่ความตายแล้วก็บอกว่าจบแล้วที่จริงเป็นการพูดด้วยภาษาธรรมดาที่เห็นกันได้ไม่ได้พูดในแนวของปฏิยาการในแนวของปฏาษาษาษาษาิจจสมุปบาทเพราะคนเราเกิดมาครั้งหนึ่งมันก็ตายจริงๆก็ครั้งหนึ่งถ้ามเหตุปัจจัยให้เกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วก็ตายอีก ก็จบลงชาติหนึ่งก็ที่ความตายแต่เพราะวพื้นฐานความเครียดแรงสงสยัยไม่แน่ใจในเรื่องอดีตนนก็ทำให้ปฏิเสธนาคตคือปฏิเสธชาติในนาคตปรญหาสำคัญที่หน้ามองก็คือว่าทำไมาจึงเกิดความเครืบแแรงสงสัยในเรื่องดอกนี้บางครั้งจนถึงก็สงสัยว่ากินข้าวแล้วย่าง วันนี้นอนกลางวันแล้ยังวันนี้ทานยาได้ยังปิดประตูกุญแจได้ยังหรือําทำการงานนั้นทาการั้นนี้แล้วหรือยังไปนที่จริงแล้วสงสัยในเรื่องอดีตทางนั้นให้เอาสังเกตว่าอดีตบางอย่างมันผ่านไปไม่กี่นาทีแต่นั้นเองลืมไปแล้วลึกไม่ได้เลยล่ะเหตุสำคัญนั้นนอกจากจิตสติสัมโมหะคือความเลอะเลือนของสติแล้ว มันเกิดจากอายนิโสมนสิการเป็นจุดอ่อ น, ออนที่สุดคือเกิดมาจากอโยุนิโสพนสิการแปลการไม่ทําไว้ในใจโดยบานแยกข่ายกําลังของสติสัมปชัญญะที่ควรจะใช้แม้เก็พอมีแต่ว่าใช้ไม่ไม่พอใช้เรียกว่าพอมีแต่ไม่พอใช้มาจะทํางานในระดับหนึ่งได้แต่ว่าเกิดทําในระดับหนึ่งไม่ได้ และมิจิกิษาเหล่านี้ท่านจึงสอนให้พยายามขาจัดไปโดยอาศัยหลักของโยนิโสมนสิการเป็นเบื้องต้นระโยนิโสมานสิการนั้นเป็นปัญญาเจตสิกคือ เ, เป็นเรื่องของปัญญาพูงง่าเ ป, เป็นเรื่องของปัญญาที่ท่านเรียกแตกต่างกันออกไปก็เพราะความเข้มค้นของธรรมะเ่านั้น แต่บางครั้งก็เรียกรวดเดียวกันไปอย่างที่ทรงแสดงไว้ในธรรมะจากกัปปวั น, นสูตรนั้นทรงเรียกคําทั้งสามคำแต่จริงๆก็หมายถึงปัญญาที่ได้่าจากกุญญาปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมที่เราไม่เคยสดับมาในการก่อนนั้นคาทั้ง5คํานั้นที่จริงก็เป็นลักษณะของปัญญาแต่เป็นปัญญาที่เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติจนสามารถขจัดอวิชาออกไปจากใจได้ แล้วก็ส่งสื่อด้วยภาษาถึงห้าคำด้วยกันจากปุบ้างยานบ้างวิชาบ้างปัญญาบ้างแสงสว่างบ้างโยนโสมนสิการก็คืออาการของปัญญาระดับหนึ่งที่นำเรื่องเหล่านั้นมาเพ่งพินิจพิจนารณาโดยอุบาลแยบขายโดยเหตุด้วยคนในด้านต่างๆอย่างที่บอกไ้แล้วว่าเรื่องของโมฆะคือเรารู้อะไรยังไม่จริง ส่วนหนึ่งจะต้องอาศัยศรัทธาเข้าไปเกาะเอิงเอาไว้ซึ่เราก็ใช้ในการนารงชีวิตประจําวันของเราแม้แต่ความเป็นพ่อเป็นแม่เราก็อาศัยาอาศัยปัญญาไม่ได้พอตอนท่านเกิดเราไม่เห็นเราก็อาศัยศรัทธาว่าท่านเป็นพ่อท่านเป็นแม่แล้วใครบอกก็ท่านบอกเองก็มีคนอื่นก็บอกด้วยแต่ใช้ปัญญาพิสูจน์ทดสอบเราก็พิสูจน์ทดสอบอะไรไม่ได้ แล้วในแนวนี้จึงต้องอาศัยศรัท ธ, ธาเข้ากำกับไปด้วยถ้ากาดสูญเสียศรัท ธ, ธาในบางเรื่องคือพยายามใช้ปัญญาในบางเรื่องซึ่งนอกวิสัยที่เราจะใช้ในสุดจะเกิดความสับสนในการระพฤติปฏิบัติปัญญาจงต้องเกาะอิงเรื่องประญาณของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้อย่างไรในเรื่องเหล่านั้นเราก็เชื่อถือไปตามนั้นก็เป็นฐานใจเอาไว้ ในขณะเดียวกันเรื่องบางเรื่องนี้สามารถบรรณสิการได้สามารถใช้ปโยชน์ในโสมานสิการได้นั่นก็คือเรื่องของวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนแล้วก็หลายๆปีก่อนที่จะย้อนระลึกหัวระลึกขึ้นมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันได้ยานในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่สท้ายปี่เก่าตอนรับปีใหม่ คนก็ไปเกิดสมมติหมายกันแล้วก็เป็นอุปาทานเป็นความยึดมั่นถือมั่นไอ้ลกล้าก็เป็นจริงเป็นจังเที่จะเกิดซึ่งในแง่ของสภาวธรรมแล้วเป็นกระบวนการธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปตามธรรมดารอจะกำหนดปีใหม่ตรงไหนก็ได้มันเมือนกับกำหนดจุดกลางของวงกลมคือกำหนดกตรงไหนก็ได้เมืกลายเป็นจุดกลางคือวัดจากด้านหนึ่งไปหาด้านหนึ่งมันก็เท่ากัน แต่เมื่อมีการกําหนดหมายจนการเป็นอุปาทานหรือความจิตจิตแล้วสิ่งที่น่าจะนํามาใช้ก็ไม่ต้องกล่าวถึงชาติก่อนนะชาติก่อนก็อาศัยศรัทธาหรือเชื่อในประปัญญาทางศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้เห็นด้วยกุเพนิวาสารติยานหรืออัตตังสยานญาณในสูตรเงันดีสําหรับบุคคลแต่ละคนก็น่าจะใช้การระลึกชาติในปัจจุบันนี้แต่นี่แหละแต่อยู่ในวันก่อนเดือนก่อนปีก่อน เราก็หล า, หลายปีก่อนเราจะเห็นว่าชีวิตเรานั้นคือกระแสของธรรมะที่เลื่อนไหลไปตามเหตุปัจจัยในส่วนของสภาวธรรมตั้งแต่ปฏิสนธิมาจากคันมันดาจนถึงขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เป็นกระแสของสภาวธรรมที่ใครก็ตามถ้าเกิดมาแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะความเปลี่ยนแปลงนั้นเพิงสังเกตว่าจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยภายในอย่างเดียวเหตุปัจจัยภายนอกไม่มาสนับสนุนมากเกินไปความเปลี่ยนแปลงก็มีไม่มากเทไรแต่เราจะหลีเรื่องเหตุปัจจัยภายนอกไม่ได้เพราเราอยู่กับเหตุปัจจัยภายนอกเพราะความเปลี่ยนแปลงใน ชีวิตจึงเกิดขึ้นมาทั้งเหตุปัจจัยภายในและทั้งเหตุปัจจัยภายนอกเราไม่สามารถจะหยุดได้ทุกขณะนั้นเราก็แก่ไปทุกขณะเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นได้จะเปลี่ยนแปลงมาให้แก่ไม่ได้ก็แก่ไปหนึ่งนาทีสองนาทีก็ว่ากันไปเรื่อยๆในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นน่ยมันมีข้อที่ควรคิดควรพินิษ์พิจารณาเป็นนั้นมาก ตัวอย่า่บางอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงเร็วบางอย่างก็เปลี่ยนแปลงชาแต่ก็ศึกษาสเหตุปัจจัยที่เกิดความเปลี่ยนแปลงว่าทำไมจึงเปลี่ยนแลงเร็วทำไมึเลี่ยนแปลงชาในจุดนี้เราต้องการเปลี่ยนแปลงเร็หรือต้องการให้เปลี่ยนแปลงชามกสืบสอดสาเหตุปัจัยที่เกิดความเปลี่ยนแปลงเราต้องการให้เปลี่ยนแปลงเร็วเราถ้าเปลี่ยนแปลงไปเ็วเราจะได้ประโยชน์ เราก็ไปใช้เหตุปัจจัยเดิมนั่นแหละก็ะสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่เร็วขึ้นแต่บางอย่างถ้าเปลี่ยนแปลงเร็วก็จะมีปัญหาเรวก็ศึกษาทั้งเหตุปัจจัยเพราะมันเคยเจอความเปลี่ยนแปลงช้าๆมาแล้วเช็่ว่าแก่อย่างช้าๆเจ็บเหมือนกันแต่เจ็บน้อยหน่อยเจ็บไม่มาก ท, า ท, าทั้งๆที่บางครั้งก็มีโรคระบาดแต่เราก็เจ็บน้อยหน่อยเหตุปจัจจัยต่างๆมันก็มีอยู่แล้ว บุคคลก็ใช้การย้อนระลึกหัวระลึกนึกถึงเหตุปัจจัยเหล่านั้นแล้วก็มาสร้างพยายามสร้างเหตุปัจจัยเหล่านั้นผู้ควบคุมทิศทางของความเปลี่ยนแปลงให้ช้าลงหน่อยที่นเรียกว่าชลอคือฉะลอความแก่ฉะลอความเจ็บแล้วก็ฉลอความตายไปแต่พวกนี้เพื่สังเกตว่ า, าพระพุทธเจ้าไม่สอนให้แก้เพราะมันแก้ไม่ได้มาลงมาครองนี้แล้วก็ต้องไปอย่างนั้นทุกที ถ้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเป็นธรรมดาแต่เราก็สามารถที่จะชะลอดได้เหตุปัจจัยนั้นได้สัมผัสมาแล้วแต่เราค้นได้สัมผัสมาไม่ใช่ครั้งเดียวแต่หลายร้อยครั้งหลายพันครั้งทนยังไงจึงจะเกิดสํานึกขึ้นมาสองกระแสคือกระแสที่เป็นไปในทางไม่พึงประสงค์นั้นกํานึกหลับจําที่จะไม่เกิดขึ้นในทางต่อไป เป็นการเกี่ยวข้องกับบุคคลอาหารหรือสิ่งรับประทานบางสิ่งบางอย่างเป็นการบันทอนสุขภาพพลานามัยก็เราไปเสริมโภมลงไปก็เคยเจอมาหลายครั้งแล้วก็ใช้เป็นบทเรียนที่จะไม่เกิดขึ้นเป็มครั้งที่สองครั้งที่สามไม่จะเกิดครั้งที่สาก็พยายามไม่เกิดครั้งที่สี่ติดตามว่าเกิดครั้งที่4ี่ขึ้นก็พยายามไม่เกิดครั้งที่หแต่ส่วนที่เป็นไปในทางที่ดี วควบคุมกันได้กำหนดทิศทางกันได้พอสมควรก็ถือว่าเป็นแนวในการที่จะทำซ้ำซ้อนจึนเคยเจ็บไข้ไม่สบายมารับประทานอาหารยารับประทานยาอย่างนั้นแล้วก็หายอาการป่วยเหมือนเดิมก็รับประทานอีกมันก็หายได้อีก ในกระแสของกุศลอกุศลที่สร้างความสุขความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของบุคคลนั้นที่จริงแล้วก็เป็นบทเรียนทําๆซักๆไม่ต้องเอาสังสารวัฏยาวไกลก็ในวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนอะหลายปีก่อนแล้วก็เป็นบทเรียนที่จะย้อนกลับเข้ามาดูที่ปัจจุบันเราจะเชื่อมโยงไปได้ไกลๆสมัยเป็นเด็กเล็กๆก็ได้ เพรเดียความเสื่อมความเจริญนั้นมันมีความเป็นสากลคือธรรมะนั้นคือสิ่งที่เป็นสากลไม่ใช่เจาะจงว่าชาวพุทธรมจึงจะรับความสุขถ้าคนอื่นทำจะไม่รับความสุขถ้าเป็นกุศลก็คือกุศลกุศล ก, ก็มีความเป็นสากลของครับใครทําก็ได้ก็ได้รับผลอย่างที่เขาควรจะได้รับแม้เขาจะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือพระพุทธศาสนาคือธรรมะในพระพุทธศาสนา เมื่อเขาไปปฏิบัติเช่นนั้นผลก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นแก่คนซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาพระธรรมานั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนเป็นอยู่ก่อนการอุบัติบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าโลกไม่ได้มีมาตั้งแต่ 2,500 กว่าปีแต่โลกมีมาหลายหลายลาย้ล า, ยลานล้านปีแล้วพุะเจ้าก็คนพบธรรมะล่านั้นนามาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลก เพื่อตอกย้ําให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึน้นเพราะถ้าบุคคลได้อาศัยบทเรียนในอดีตอะไรเป็นทางเจริญของลาบยศสันเสริมความสุขเราเคยได้รับการยกย่องเราเคยได้ลาบสาก a r ชื่อเสียงเราเคยได้รับยกยกย่องในตําแหน่งหน้าที่การงานต่างๆมาด้วยการกระทําอย่างไร ถ้าจะไปทําเช่นนั้นอีกผลก็จะเกิดขึ้นโดยลักษณะเดียวกันทํานองเดียวกับการจะป่วยแล้วเคยรับประทานยาขนาดนั้นหายมาหลายปีมาแล้วในปีนี้ก็รับประทานอีกมันก็หายได้อีกเป็นายแต่เป็นโรคบางอย่างคือโรคประเภทที่รักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงนั้นบทเรียนในอดีตที่จริงแล้วการระลึกชาติในอดีตนั้น ที่พระเจาทรงมาเป็นฉาดกก็เป็นเครื่องมือในการชี้แจงสั่งสอนบุคคลเพราะเป็นลีลาชีวิตที่มีเจตนาแล้วมีการกระทําแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําแล้วได้รับความทุกขความสุขความเสริมความจเจริญไปแล้วถ้ามีการถือตามปฏิบัติตามไปด้วยงดเว้นในเรื่องที่ควรงดเว้นประพฤติในเรื่องติควรประพฤติก็จะดําเนินไปบนเส้นทางสายเดียวกัน และจากการลึกชาติเหล่านี้ในส่วนของความไม่ดีงามที่สร้างเหตุให้เกิดความสร้างเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ด้วยประการต่างๆในชีวิตของบุคคลนั้นก็มีลักษณะซ้ำซ้อนหรือแม้แต่ครอบครัวสองคนสา ม, มีพัญญาการเคยทะเลาะ ก, กันแล้วก็ไม่พูดกันบางทีก็แตกแยกระนบางทีก็ลงไม้ลงมือกันก็ถามาเพราะอะไรมันก็เพราะอย่า ง, ง, น, งนั้นบางทีเราก็หยุดเ ห, เหตุเหล่านั้นสี แตอนนี้ไปประคอให้ตั้งใจทาความสงบสึขก่อน